8. หลักและอุบายของการปฏิบัติธรรมถามหลวงพ่อมักราวถึงคำว่าสติปัฏฐานบ้างวิปัสสนาบ้างอยากทราบว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นอันเดียวกันใช่หรือไม่ครับไม่ใช่อันเดียวกันแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันคืออารมณ์ของสติปัฏฐานมีทั้งส่วนที่ใช้ทำสมถะ และส่วนที่ใช้ทรรมวิปัสสนาหากอารมณ์ใดเป็นบัญญัติก็ใช้ทรรมสมถะหากอารมณ์ใดเป็นปรมัติคือเป็นรูปนามก็ใช้ทำวิปัสสนาในเบื้องต้นที่เราเจริญสติปัฏฐานโดยใช้อารมณ์รูปนามนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นการเจริญวิปัสสนาแท้ๆแต่เป็นเพียงการตามรู้รูปนามหรืออนุปัสสนาเช่น กายานุปัสสนาคือการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาคือการตามรู้เวทนาเป็นต้นให้ตามรู้ด้วยสตินเนืองเพื่อรู้ชัดว่าสภาวธรรมคือรูปนามอันใดกำลังปรากฏจนเกิดความเข้าใจด้วยปัญญาว่าสภาวธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงรูปธรรมหรือนามธรรมที่เกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยที่สืบเนื่องกันไปเท่านั้นถัดจากนั้นเมื่อตามรู้สภาวะของรูปนามมากเข้ามากเข้าจนเห็นความสืบเนื่องหรือสัน ต, ติของรูปนามขาดคือเห็นรูปเก่าดับไปแล้วรูปใหม่เกิดขึ้นหรือเห็นนามเก่าดับไปแล้วนามใหม่เกิดขึ้นจึงจะจัดว่า เป็นภาวนามยะปัญญาและเป็นวิปัสนาญาณเบื้องต้นที่เรียกว่าอุททยบพยาญยาเรื่องเหล่านี้มีรายละเอียดต้องศึกษากันมากเหมือนกันเอาไว้ปฏิบัติไปศึกษาไปก็ได้ในชั้นนี้จำไว้แต่เพียงแค่ว่าการเจริญวิปัสสนานั้นต้องมีสติรู้รูปนามและมีปัญญาหรือสัมปชัญญะ รู้ความเป็นจริงของรูปนามนั้นนั้นตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยวิปัสสนานั้นทาไปเพื่อทาลายความรู้ผิดเข้าใจผิดที่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีอยู่จริงถ้าพูดด้วยภาษาของท่านอาจารย์พุทธทาสอาจจะฟังง่ายยิ่งขึ้นคือพูดได้ว่าวิปัสสนานั้นทาไป เพื่อละความเห็นผิดว่ามีตัวตนของตนหรือมีตัวกูของกูแต่ถ้าจะพูดในครบถ้วนก็ต้องกล่าวว่าปฏิบัติไปเพื่อทําลายวิปลาดสี่ประการคือทําลายความเห็นผิดที่ว่ารูปนามเป็นสุภะไม่ใช่อสุภะเป็นนิจจังไม่ใช่อนิจจังเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์และเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตา ขออนุญาตเรียนถามว่าเราทำวิปัสสนาเพื่อละความเป็นตัวตนหรือตัวกูของกูไม่ใช่หรือทำไมหลวงพ่อจึงกล่าวว่าทำไปเพื่อละความเห็นผิดว่ามีตัวกูของกูถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นทั้งโดยภาคปริยัตหรือภาคปฏิบัติถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจความจริงว่า สิ่งที่เรียกว่าตัวตนของตนหรือตัวกูของกูนั้นไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นสิ่งที่มีอยู่คือรูปธรรมและนามธรรมที่มีปัจจัยปรงแต่งให้เกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นแต่เพราะเราไม่เข้าใจจึงไปหลงสำคัญมั่นหมายผิดๆว่ารูปนามเหล่านั้นเป็นตัวตน การเจริญวิปัสนาจึงทำไปเพื่อละความรู้ผิดเข้าใจผิดเท่านั้นไม่ใช่ทำไปเพื่อละความเป็นตัวตนเพราะไม่มีตัวตนใดๆจะให้ละสักอย่างเดียวการหัดแยกรูปนามจัดเป็นวิปัสนาญาณไหมคะเป็นการฝึกเจริญวิปัสนา แต่ยังไม่ใช่วิปัสนาญาณแต่เป็นญาณหรือปัญญาเบื้องต้นที่ยังเจือด้วยจินตามะยถาปัญญาซึ่งจะช่วยแก้ความเห็นผิดว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงถ้ากล่าวโดยองค์ธรรมในเรื่องวิสุทธิที่7ก็จัดเป็นวิสุทธิที่สคือทิฏฐิวิสุทธิถ้ากล่าวโดยญาณในเรื่องโสรสาาัสญาณก็จัดเป็นญาณที่หนึ่งชื่อ นามรูปะปริเฉทยานถ้ากล่าวโดยองธรรมในเรื่องปริญญาก็เป็นปริญญาแรกเรียกว่ายาตะปริญญาแต่วันนี้เราจะพูดกันในเชิงการปฏิบัติคุณเพียงทราบวิธีการหัดแยกรูปนามก็พอแล้วยังไม่ต้องจำชื่อก็ได้เดี๋ยวจะกลุ้มใจซะก่อนวิธีการง่ายๆที่จะใช้หัดแยกรูปนามมีหลายอย่าง เช่นให้คุณตามรู้ว่ารูปยืนเดินนั่งนอนเหล่านี้เป็นรูปจิตที่ไปรู้รูปยืนเดินนั่งนอนเป็นนามหรือสิ่งที่ตามองเห็นคือสีเป็นรูปอาการเห็นเป็นนามเป็นต้นหรืออยากหัดให้ละเอียดก็รู้รูปนั่งซะก่อนก็ได้รอดูไปเรื่ อ, อยๆ จนเกิดความเมื่อยจะเห็นว่าความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าเวทนาไม่ใช่รูปและไม่ใช่จิตหรือวิญญาณที่เป็นผู้ไปรู้รูปนั่งและรู้ความเมื่อยสังเกตต่อไปก็จะเห็นว่าเวลาที่เมื่อย น, นั้นจิตใจมักกระสับกระส่ายอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถความกระสับกระส่าย อยากเปลี่ยนอริยาบทก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าสังขารฝึกรู้ไปเรื่อยๆก็จะพบว่ายังมีธรรมชาติอีกสองอย่างอย่างหนึ่งคือความจําได้หมายรู้อันนี้คือสัญญาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องราวที่คิดนึกไปอันนี้เป็นสมมุติบัญญัติในเวลาปฏิบัติให้รู้รูปนามอย่าหลงให้ความคิด หรือสมมติบัญญัติเข้ามาปิดบังความจริงได้ถามวิธีการหัดสังเกตและทำความรู้จักขันห้าโดยตรงนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องอาศัยการทำสมถะเช่นการบริกรรมพุทโธก่อนใช่ไหมครับ คือเป็นการรู้สภาวะของขันที่กำลังปรากฏเข้าไปตรงๆเลยใช่แล้วถามหลวงพ่อมักกล่าวถึงการเจริญสติทุกๆอิริยาบถขอเรียนถามว่าหากรู้รูปพองยุบรู้การกำหนดจังหวะเคลื่อนไหวเท้าระหว่างการเดินจงกรมหรือฝึกจังหวะการเคลื่อนไหวมือ จะใช้แทนการรู้รูปยืนเดินนั่งนอนได้ไหมครับพวกเราชาวพุทธมีแนวปฏิบัติต่างๆกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้เป็นไปตามอุบายวิธีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์แต่ละสำนักซึ่งท่านได้อาศัยประสบการณ์เฉพาะตัวทดลองปฏิบัติแล้วท่านรู้สึกว่าได้ผลดีจึงนำมาถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานด้วยความเมตตาการณุณาของท่าน หากผู้ใดพอใจแนวทางใดก็เลือกทำเอาตามอัธยาศัยก็แล้วกันส่วนสิ่งที่อาตมามักนำมากล่าวไม่ได้เน้นถึงอุบายวิธีการปฏิบัติแต่ต้องการกล่าวถึงหลักการปฏิบัติตามหลักกิจในอริยสัจและสติปัฏฐานซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานเป็นมรดกไว้ให้พวกเราศึกษาปฏิบัติกันขอให้แต่ละท่านลองศึกษาดูก็แล้วกัน เมื่อศึกษาแล้วท่านจะปฏิบัติในแนวทางใดด้วยอุบายวิธีใดก็แล้วแต่ความถนัดเถิดถามการหัดแยกรูปนามนั้นจะหัดแยกโดยรู้รูปพองยุบได้หรือไม่ครับเพราะผมเคยฝึกมาแนวนี้ได้คือเห็นรูปพองยุบยกย่างเหยียบเป็นรูปที่ถูกรู้ จิตที่รู้รูปเป็นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นคนละขันกันเมื่อรู้มากเข้าก็าจะรู้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้เหมือนกันถ้าไม่เอาแต่หลงเพ่งจ้องบัญญัติพองยุบจนละเลยการสังเกตสภาวะรูปนามไม่เพียงแต่แนวพองยุบเท่านั้นในบ้านเมืองเรายังมีแนวทางปฏิบัติที่ดีๆในการเจริญสติอีกมากเช่น การเจริญสติโดยเริ่มต้นจากการบริกรรมพุทโธตามแนวของครูอาจารย์พระป่าการเจริญอาณาปานาสติตามแนวทางของท่านอาจารย์พุทธธาตการทำจังหวะ ก, การเคลื่อนไหวมือตามแนวของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภการเจริญสติตามแนวของท่านกอเขาสวนหลวงและการกำหนดรูรูปนามตามแนวของท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนเป็นต้นการปฏิบัติของผู้ใดท่านเน้นที่แกนคือการจเจริญสติแล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นถ้าไปติดกันอยู่ที่เปลือกคือเน้นแต่รูปแบบไม่เน้นการจเจริญสติตามรู้กายตามรู้ใจให้ถูกต้องก็ใช้ไม่ได้จุดเริ่มต้นอาจแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก ขอให้ศึกษาปฏิบัติให้ถึงแก่นแท้ของการเจริญสติก็แล้วกันถามผมเห็นว่าการกำหนดอิริยาบถโดยจงใจนั่งหรือเดินจงกรมเป็นการกระทาที่ยังมีตัณหาและทิฐิแฝงอยู่เราน่าจะรู้อิริยาบถ ท, ที่กำลังปรากฏไปเลย ให้อิริยาบทแต่ละอย่างเกิดขึ้นจากความจำเป็นไม่ใช่เกิดจากความอยากให้เป็นถ้าใครถนัดที่จะจงใจทำอิริยาบทก่อนก็ทำไปใครถนัดที่จะรู้อริยาบทที่กำลังปรากฏไปเลยก็ทำไปใครถนัดที่จะรู้รูปก็รู้ไปใครถนัดจะรู้นามก็รู้ไปจุดหมายปลายทางของการรู้ หรือการเจริญสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องเป็นอันเดียวกันทั้งสิน้นคือการจําแนกให้ออกว่านี่เป็นรูปนี่เป็นนามจิตนี่เป็นนามเจตสิกแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจเพราะการเห็นสภาวะรูปนามชัดเจนไม่ใช่คิดคิดเอาว่ารูปนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อมีเหตุมันก็เกิดเมื่อหมดเหตุมันก็ดับ และท่านหลงเข้าไปอยากหลงเข้าไปยึดก็จะเกิดทุกข์พอจิตเกิดปัญญาเข้าใจรูปนามแจ่มแจ้งอย่างนี้จิตก็หายหลงเมื่อหายหลงแล้วตัณหาก็จะเกิดไม่ได้เพราะตัณหามีรากฐานมาจากความหลงคือโมหะเมื่อตัณหาไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนิพพานจึงปรากฏขึ้นเพราะนิพพานก็คือความดับสนิท าถามเคยอ่านข้อเขียนของหลวงพ่อพบว่าหลวงพ่อยกย่องหลวงพ่อเทียนบ่อยๆเพราะท่านสอนเน้นในเรื่องความรู้สึกตัวสิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือในสายหลวงพ่อเทียนมีคำสอนเรื่องให้ดูความคิด ซึ่งความคิดเป็นบัญญัติให้ดูความคิดจะไม่ผิดทางหรือครับอาตมาไม่ได้ศึกษาคําสอนของท่านเท่าไรหรอกเพียงแต่เคยพบองค์ท่านจึงเข้าใจได้ว่าท่านเป็นพระดีจริงๆองหนึ่งเป็นผู้มีความรู้สึกตัวเป็นปกติอาตมาเชื่อว่าถ้าท่านสอนให้ดูความคิดก็น่าจะหมายความว่า ให้รู้ทานอาการของจิตว่ากำลังคิดอยู่ไม่หลงคิดและไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดทันทีที่รู้ว่ากำลังคิดหรือกำลังหลงคิดความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากจิตไม่หลงไปกับธรมารมความรู้สึกตัวนั้นแท้จริงก็คือสภาวะที่จิตมีสัมมาสมาธิเมื่อจิตมีสัมมาสมาธิแล้ว หากมีสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาทางกายหรือทางใจก็จะเกิดสติระลึกรู้สภาวะธรรมได้ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องจงใจรู้เป็นการเปิดทางให้เกิดปัญญาและพ้นทุกข์ได้ในที่สุดหรืออย่างที่ท่านสอนให้รู้ความเคลื่อนไหวของมือถ้ารู้อย่างสบายๆโดยไม่เพ่งจ้องหรือคิดเรื่องมือ เมื่อใดสติเกิดรู้สภาวะความไหวของรูปได้จิตก็จะถอดถอนตัวออกจากความหลงและเกิดความรู้สึกตัวได้องค์ท่านเองเคลื่อนไหวมือแล้วจิตของท่านตื่นขึ้นมาได้เพราะท่านรู้ท่านไม่ได้เพ่งและไม่ได้คิดคิดเอาอาตมาจึงนับถือว่าท่านเป็นพระดีจริงองค์หนึ่ง ทั้งที่ไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับท่านเป็นส่วนตัวหนังสือของท่านก็มีผู้ให้มาหลายเล่มเหมือนกันอย่างคุณหมอกำพลก็ให้มาหลายเล่มแต่อ่านไม่จบสักเล่มเพราะไม่ชอบอ่านหนังสือธรรมะร่วมสมัยจึงอาจจะตีความถ้อยคําอันเป็นสมมุติบัญญัติของท่านผิดแต่ไม่คิดว่าจะอธิบายสภาวะธรรมที่ท่านมุ่งหมายผิดเพราะธรรม ย่อมลงเป็นเนื้อเดียวกันได้เสมอถามอยากทราบแนวทางปฏิบัติที่หลวงพ่อแนะนำอย่างสั้นสั้นอีกสักครั้งครับอาตมานิยมการเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่เลือกอิริยาบถและไม่นิยมการกำหนด โดยมักเสนอแนะให้พวกเราห่มันสังเกตรหรือเรียนจนรู้จักสภาวะของรูปนาม 2. เมื่อเข้าใจสภาวะของรูปนามถูกต้องและทันท่วงทีแล้วความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องกำหนดหรือจงใจสร้างคือพอกระทบอารมณ์ปับ๊บจิตจะเกิดสติรู้ทันอารมณ์ด้วยความตั้งมั่น และเป็นกลางขึ้นเองและ3เมื่อสติรู้อารมณ์รูปนามคือจิตเจตสิกและรูปที่กำลังปรากฏโดยไม่เข้าไปแทรกแซงและไม่เติมความคิดลงไปก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของอารมณ์รูปนามได้ถูกต้องไปตามลำดับจนจิตปล่อยวางความยึดถือรูปนามและสิ่งทั้งปวงเสียได้ทั้งนี้ อาตมาไม่ชอบกำหนดให้เป็นภาระของจิตโดยไม่จำเป็นแต่ใครจะจงใจสร้างอิรยาบทและกำหนดก่อนก็ไม่ขัดขานถามถ้าจะฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อควรเรียนรู้เรื่องฝึกหัดอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่จำเป็นคือต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อย สิ่งที่สองต้องเรียนเรื่องทุกข์คือหัดรู้จักสภาวะรูปนามหรือกายใจด้วยการตามรู้ของจริงเรื่อยไปว่าขณะนี้กายมีอาการอย่างไรใจมีอาการอย่างไรที่แรกจะเป็นเพียงการตามรู้ต่อไปสติพัฒนาขึ้นจะเป็นการรู้ทันและปัญญาพัฒนาไปสู่ความรู้ถูก หรือเข้าใจถูกนี้เป็นส่วนของการรู้ทุกสิ่งที่สามต้องเรียนคือเรื่องสมุทยัยก็คือหัดรู้จักสภาวะของตัญหาหรือความทยานอยากของจิต6ทางได้แก่ความทยานอยากออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหลวงปู่ดูลนท่านย้าบ่อยๆ เรื่องอย่าส่งจิตออกนอกหมายความว่าในเวลาที่รู้อารมณ์นั้นให้สักวารู้อย่าให้จิตหลงกระโจนเข้าไปรู้แล้วหลงจมแชยึดถือหรือหมุนเวียงไปตามอารมณ์จุดนี้จะทำให้การปฏิบัติปลอดจากตัณหาและต่อไปเมื่อจิตรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วจะทำให้ความหลงหรือโมหะหมดไป แล้วตันหาจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยไม่ต้องคอยระวังสังเกตเหล่านี้เป็นส่วนของการละสมุทัยสิ่งที่4ที่ต้องเรียนคือเรื่องมักก็คือต้องหัดรู้ปัจจุบันอารมณ์ได้แก่ตัวทุกข์หรือรูปนามหรือกายใจนั่นเองโดยต้องหัดสังเกตว่ารู้แบบไหนถูกรู้แบบไหนผิด ถ้ารู้อย่างสักว่ารู้รู้อย่างรู้สึกตัวจิตเป็นตัวของตัวเองไม่หลงทยานเข้าไปยึดหรือแทรกแซงอารมณ์อย่างนี้ก็ถือว่ารู้ถูกจิตในขณะนั้นจะรู้อารมณ์ด้วยความโปร่งเบาไม่หนักไม่แข็งไม่เครียดรู้สบายสบายรู้โดยไม่จงใจจะรู้แต่ถ้ารู้เพราะหลงก็ถือว่ารู้ผิด เช่นรู้เพราะหลงอยากจะรู้รู้แบบหลงเพ่งรู้แบบหลงคิดหรือหลงเตลิดคือเที่ยวปล่อยใจเลื่อนลอยไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหล่านี้เป็นการรู้ผิดทั้งสิน้นนี้เป็นส่วนของมรคือการรู้ทุกข์และละสมุทยัยถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า อาตมาจะเน้นเรื่องการมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเพราะถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ก็ไม่สามารถจะรู้ทุกหรือรู้รูปนามได้นั่นหมายถึงการเจริญมรรคไม่ได้แต่ถ้ารู้สึกตัวได้คือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็สามารถรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจได้ดังนั้น ขอให้พวกเราสนใจในเรื่องความรู้สึกตัวให้มากสักหน่อยเพราะเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องที่ว่าจะหายใจอย่างไรจะนั่งท่าไหนหรือจะเดินท่าไหนเสียด้วยซ้ำไปถามผมขอแนวทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดด้วยครับ พ่อแม่ครูอาจารย์ของอาตมาคือหลวงปู่ดูลท่านสอนไว้แล้วว่าอย่าส่งจิตออกนอกอาตมาไม่เห็นคำสอนใดจะลัดสั้นเท่านี้อีกคือถ้าคุณมีสติรู้ทันพติของจิตที่ส่งนอกส่งในหลวงปู่ท่านเรียกรวมว่าจิตส่งออกนอกจิตจะหลุดออกจากกองทุกแล้วจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาในจับพลัน บรรดากิเลสก็ดีความทุกทางใจก็ดีภาระทางใจทั้งปวงก็ดีล้วนแต่เป็นความปรงแต่งที่เกิดขึ้นเมื่อจิตส่งในทั้งสิ้นก็จะดับสลายไป ท, ทันทีเมื่อคุณมีความรู้สึกตัวที่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดคุณจะรู้จักสภาวะธรรมที่พ้นไปจากความปรงแต่งได้ ถามในทัศนะของหลวงพ่อการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิตามรูปแบบไม่จำเป็นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่อาตมาไม่ได้มีความเห็นสุดโต่งอย่างนั้นเพราะการปฏิบัติตามรูปแบบมีประโยชน์อยู่มากแทบจะกล่าวได้ว่าถึงขั้นจำเป็นทีเดียวสำหรับผู้เริ่มต้น เว้นแต่ผู้ที่ศึกษาจนเข้าใจสภาวะของรูปนามจนกระทั่งเกิดสติขึ้นได้ก็อาจจะไม่ต้องเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบมากนักนอกจากนี้แม้แต่ผู้ปฏิบัติชำนาญแล้วก็อาจใช้การปฏิบัติตามรูปแบบเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังสมถะได้คือหากมีการทำตามรูปแบบไว้บ้างเช่นก่อนนอนมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้าง ก็จะไม่รู้สึกว้าเวว่าเราย่อหย่อนในการปฏิบัติจนเกินไปครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือมากองหนึ่งท่านสอนสิทธิ์ของท่านให้เดินจงกรมแทบทั้งวันทั้งคืนแต่ท่านก็กล่าวว่าการปฏิบัติตามรูปแบบก็เหมือนกับราวสะพานเอาไว้เกาะกันตกสะพานเมื่อข้ามสะพานคล่องแล้วก็ปล่อยราวสะพานได้ คือผู้ที่จเจริญสติจนเป็นอัตโนมัติแล้วแค่ตาเห็นรูปก็สามารถจเจริญสติได้แลว้วโดยไม่เลือกด้วยซ้ำไปว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นอะไรเหตุผลที่อาตมานเน้นการปฏิบัติในชีวิตประจําวันมากกว่าการทําตามรูปแบบก็เพราะชีวิตจริงของเราส่วนใหญ่อยู่ตอนที่ใช้ชีวิตตามปกตินี่เองเราจึงควรให้ความสําคัญกับการจเจริญสติ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นอยา่าไปติดอยู่แค่ว่าเราจะปฏิบัติเฉพาะเมื่อไปเข้ากรรมฐานหรือเมื่อทำตามรูปแบบเท่านั้นแท้จริงเราปฏิบัติเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูกระทบเสียงเมื่อใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งไม่เลือกเวลาและไม่เลือกอิริยาบถถามหลวงพ่อ ไม่เห็นด้วยกับการทำจังหวะในการเดินจงกรมใช่ไหมคะไม่ใช่อาตามาบอกแล้วว่าบางคนถนัดที่จะทำจังหวะหรือกำหนดก็ทำไปตามความจำเป็นเถิดแต่ต้องรู้ทันว่าได้มีการดัดแปลงอารมณ์เกิดขึ้นแล้วจุดสำคัญของการปฏิบัติอยู่ที่การรู้สภาวะธรรมให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตามที่เราสร้างขึ้นมาการสร้างจังหวะก็ดีการกำหนดซ้ำก็ดีมีเบื้องหลังก็คือตัณหามีผลก็คือทุกข์ลองสังเกตดูก็ได้ว่าก่อนลงมือปฏิบัติจิตใจก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แต่พอเริ่มทำจังหวะหรือเริ่มกำหนดจิตก็เริ่มหนักๆแน่นๆเป็นทุกข์ขึ้นมาทันที การไม่ดัดแปลงอารมณ์นั้นหมายรวมถึงการไม่ดัดแปลงอารมณ์ที่เป็นนามธรรมด้วยเช่นจิตมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเฉยเฉยก็รู้ไปตามนั้นจิตมีความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความอิดฉาความพยาบาทความกลัวความกังวล ความลังเลสงสัยก็รู้ไปตามนั้นจิตมีศรัทธามีศีลมีความสงบตั้งมั่นมีสติและปัญญาก็รู้ไปตามนั้นเป็นต้นไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรักษาความสุขหรือหาทางดับทุกข์และไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรักษากุศลธรรมหรือหาทางดับอกุศลธรรมเหล่านั้น ามสิ่งที่หลวงพ่อกล่าวนี้จะขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะเคยศึกษามาว่าสัมมาวยามะอันเป็นองค์มรรคนั้นท่านให้เพียรละกุศลที่เกิดแล้วให้ปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดให้ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้นและให้รักษากุศลที่เกิดมีขึ้นแล้วไว ไม่ขัดกันเพราะในเวลาที่เราจเจริญวิปัสสนานั้นเราต้องมีสติตามรู้รูปนามไปตามหลักกิจในอริยสัจ ท, ที่ท่านสอนว่าทุกให้รู้สมุทัยให้ละบรรดากุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายเว้นแต่ตัญหาล้วนแต่เป็นนามธรรมจัดอยู่ในกองทุกจึงเป็นสิ่งที่เรามีหน้าที่ต้องระลึกรู้ทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติไม่ต้องพยายามละชั่วและทำดีแต่อย่างใดเพราะเมื่อเราจเจริญสติอยู่นั้นอากุศลธรรมเป็นอันถูกละไปแล้วโดยอัตโนมัติและอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ยังมีสติอยู่ส่วนกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเช่นหิริโอตปะศีล ส, สมาธิและปัญญาย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะล้วนเป็นผลพวงของการเจริญสติทั้งสิน้นและเมื่อเจริญสติอยู่ตราบใดก็เท่ากับได้รักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ตราบนั้นดังนั้นการเจริญสติู้ทุกข์คือรูปนามนี้แหละคือการเจริญสัมมาวายามะโดยตรงทีเดียวการทำสมถะต่างจากการทำวิปัสสนาตรงที่สมถะมุ่งดัดแปลงจิต ที่ไม่ดีให้ดีหรือมุ่งดัดแปลงจิตที่ไม่สงบให้สงบเมื่อจิตดีและสงบแล้วก็ต้องเฝ้ารักษาความดีและความสงบนั้นไว้ส่วนวิปัสสนานั้นจิตไม่ดีก็รู้ว่าจิตไม่ดีจิตไม่สงบก็รู้ว่าจิตไม่สงบไม่แก้ไขและไม่ต้องรักษาสภาวธรรมใดๆเลยเพราะเราทำวิปัสสนา เพื่อให้รู้ความจริงว่าทาทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนถามขอเรียนถามว่าการเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อกล่าวนี้จะละกิเลสได้อย่างไรในเมื่อให้รู้กิเลสไม่ให้ละกิเลส เมื่อใดคุณมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสจะให้ละเช่นในขณะใดเกิดความโกรธขณะนั้นจิตเป็นอกุศลในขณะใดเกิดรู้ทันสภาวะของความโกรธขณะนั้นจิตเป็นกุศลความโกรธจะดับไปแล้ว บางคราวทั้งที่รู้ว่าโกรธก็ยังไม่หายโกรธค่ะถ้าเมื่อใดสติของคุณเกิดขึ้นเพราะรู้ทันสภาวะของความโกรธจิตจะเป็นมหากุศุลจิตทันทีมีอาการรู้ตื่นและเบิกบานโดยอัตโนมัติขณะนั้นความโกรธจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเมื่อใดคุณจงใจสร้างสติขึ้นมา จิตใจของคุณจะมีลักษณะหนักหนั ก, นกแน่นๆน่นนั่นไม่ใช่สติตัวจริงคุณจะเฝ้าเพ่งจ้องใส่ความโกรธ ด, ด้วยความเกลียดชังและคาดหวังที่จะให้มันดับไปเป็นการสร้างโทสะตัวใหม่ซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งจึงดูอย่างไรความโกรธก็ไม่ดับสักทีเพราะไม่ได้มีสติจริงๆ ถามถ้าเจริญสติแล้วละกิเลสไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรครับมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะเมื่อมีสติอยู่นั้นกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้อนุสัยคือความเคยใจที่จะทำตามอำนาจของกิเลสอ่อนกำลังลงเมื่ออนุสัยอ่อนกำลังลงอกุศลจิตก็จะมีโอกาสเกิดได้น้อยลง เพราะจิตมีธรรมชาติมักเกิดไปตามความเคยชินเช่นคนเคยโกรธก็มักโกรธง่ายคนเคยโลภ ก, ก็มักโลภง่ายคนเคยหลงก็มักหลงง่ายเป็นต้นและเมื่อจิตคุ้นเคยกับความมีสติก็จะเกิดสติได้บ่อยขึ้นแล้วทำฝ่ายดีทั้งหลายก็จะเกิดตามมาได้ ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการทำวิปัสสนาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ปรมัตดซึ่งเข้าใจยากเหลือเกินการปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องใช้สภาวะของจิตที่ธรรมดาธรรมดาไปรู้อารมณ์ที่ธรรมดาธรรมดาดังนี้คือ จิตที่เป็นปกติธรรมดาคือจิตที่ปลอดจากตัณหาและทิฏฐิคืออย่าอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปตามความอยากนั้นเช่นพอจะลงมือปฏิบัติก็เที่ยวแสวงหาว่าจะรู้อารมณ์อะไรดีหรือลงมือเพ่งจ้องใส่อารมณ์อันใดอันหนึ่งหรือทำจิตให้นิ่งให้ซึมให้ทื่อๆแข็ง พอพบเห็นอารมณ์ก็พยายามบังคับให้จิตเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์หรือพยายามไม่ให้จิตรู้อารมณ์เป็นต้นอารมณ์ที่ธรรมดาคืออารมณ์ปรมาที่ปรากฏทางอายตนะทั้งหกนั่นเองไม่ใช่อารมณ์พิเศษพิสดารอะไรหรอกส่วนอารมณ์ที่ไม่ธรรมดาคืออารมณ์ที่เราคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเองแท้จริงแล้ว รูปที่วิญญาณทางตาเห็นเสียงที่วิญญาณทางหูได้ยินกลิ่นที่วิญญาณทางจมูกได้ดมรสที่วิญญาณทางลิ้นรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่วิญญาณทางกายรู้ล้วนเป็นอารมณ์ปรมัติอยู่แล้วและรูปบางอย่างเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนกับความรู้สึกทางใจ เช่นความสุขความทุกข์กุศลและอกุศลต่างๆก็เป็นอารมณ์ปรมัติที่วิญญาณทางใจรู้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อถูกยุงกัดแขนเรารู้สึกคันก็เกิดความโกรธอยากตบยุงแล้วตบยุงในข้อความที่ยกมานี้มีทั้งสิ่งที่เป็นอารมณ์ปรมัติและอารมณ์บัญญัติ ปนกันอยู่คือ 1. รูปภายนอกคือร่างกายของยุงเป็นธาตุเป็นปรมัติ์สองคำว่ายุงเป็นบัญญัติ 3. อาการคันเป็นปรมตย์สี่ว่าคันเป็นบัญญัติ 5. รูปภายในคือกายที่ถูกยุงกัดเป็นปรมัติ คำว่าแขนเราเป็นมัญญัติ 7. ความโกรธเป็นปรมัติฏฐคำว่าโกรธเป็นมัญญัติ 9. ความอยากเป็นปรมัติฏฐิ 10. คำว่าอยากเป็นมัญญัติ 11. อาการตบเป็นปรมัติฏฐิ 12. คำว่าตบ เป็นบัญญัติในเวลาที่จเจริญวิปัสสนานั้นให้รู้อารมณ์ปรมัตที่เป็นปัจจุบันคือพออาการคันปรากฏก็รู้อาการนั้นเห็นเพียงอาการคันของรูปไม่จะคิดว่าเราคันเพราะเราคันเป็นบัญญัติเมื่อความโกรธปรากฏความโกรธ เป็นอารมณ์ปัจจุบันแทนอาการคันที่เป็นอารมณ์ในอดีตไปแล้วก็ให้รู้ที่ความโกรธแต่ไม่ต้องช่วยคิดช่วยภาคว่าโกรธเพราะสิ่งที่คิดเป็นมันหยัิถ้ารู้ไม่ทันจะเกิดความอยากตบยุงก็ให้รู้ความอยากความอยากจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันแทนความโกรธถัดจากนั้นพอคิดตกลงใจจะตบยุงจิตสั่ง มือก็เริ่มเคลื่อนไหวในอาการที่เรียกว่าตกก็รู้อาการเคลื่อนไหวของรูปคือมือซึ่งก็คือการรู้อิรยาบถย่อยอาการไหวของรูปนั้นเป็นประมัดส่วนคำว่ามือตบยุงเป็นบัญญัติจากตัวอย่างดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าเราสัมผัสกับอารมณ์ประมัตดอยู่แล้วทั้งวัน แต่ความคิดของเราเองปิดกั้นไว้ไม่ให้เรารู้จักอารมณ์ปรมาทนั้นคือแทนที่จะรู้อาการคันรู้อาการโกรธรู้อาการอยากตบรู้อาการที่รูปเคลื่อนไหวเรากลับไปคิดว่ายุงมันกัดต้องตบมันให้ตายเป็นการสั่งสอนพอให้เข็ดหลาไปชาติหนึ่งนี่แหละเรียกว่าบัญญัตปิดบังปรมาทเอาไว้หมดผู้ปฏิบัติ และผู้ไม่ปฏิบัติล้วนได้สัมผัสกับอารมณ์ปรมัติและอารมณ์บัญญัติอยู่เหมือนๆกันแต่ผู้ปฏิบัติมีโยนิโสมนสิการหรือการมองได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจึงสามารถแวกสมมติบัญญัติอันเป็นความคิดเข้ามารู้ชัดถึงสภาวะของรูปนามอันเป็นอารมณ์ปรมัติได้คือมีปัญญาจำแนกได้ว่านี่คืออารมณ์ปรมัติ ที่รู้ได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่คือสมมุติบัญญัติที่จิตคิดนึกปรุงแต่งไปเองถ้ารู้ได้อย่างนี้การปฏิบัติวิปัสสนาก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปอันหนึ่งการรู้รูปนามนั้นสิ่งใดปรากฏเด่นชัดก็รู้อันนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าอันใดเด่นชัด อันนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เองเหมือนเด็กที่ดูละครตลกเขาสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ควรจะดูละครตัวใดการรู้รูปนามต้องรู้ในปัจจุบันเพราะรูปนามในอดีตเป็นแค่ความจำและรูปนามในอนาคตเป็นแค่ความคิดส่วนรูปนามในปัจจุบันคือความจริงและเมื่อรู้แล้ว ก็อย่าหลงเติมสมมติบัญญัติลงไปในการรับรู้นั้นถามในทัศนะของหลวงพ่อเห็นว่านักปฏิบัติธรรมในรุ่นปัจจุบันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างครับ นี่เป็นคำถามที่ไม่อยากจะตอบเลยดังนั้นอย่าถือว่าเป็นคำตอบเอาแค่ว่าเป็นข้อสังเกตของอาตมาซึ่งอาจจะผิดก็แล้วกันคืออาตมาเห็นว่าเราควรให้ความสนใจกับคำว่าสติสมาธิและวิปัสสนาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยจึงจะไม่เกิดจุดอ่อนขึ้นคือคำว่าสตินี้ ในสมัยที่อาตามา ย, ยัางเป็นเด็กได้ทราบคำแปลว่าการระลึกได้การระลกึก ร, ร, กรู้แต่สมัยนี้กลายเป็นการกำหนดรู้กันไปแล้วการระลึกรู้เป็นแค่การรู้สึกถึงอาการทางกายและอาการทางใจแต่คำว่ากำหนดมีความหมายไปในทางที่ต้องมีการกระทำบางอย่างและสิ่งที่กระทำกันมากก็คือ การเพ่งจ้องเอาเป็นอาตายกับการรู้จนเกิดความทุกข์หรือความเครียดกันมากทีเดียวอีกคำหนึ่งคือคำว่าสมาธิในสมัยที่อาตมายัางเป็นเด็กได้ทราบคำแปลว่าความตั้งมัน่นแต่สมัยนี้กลายเป็นความสงบกันไปแล้วคำว่าความตั้งมัน่นน่าจะตรงกับสภาวะของสัมมาสมาธิ เพราะในขณะที่จิตฟุ้งซ่านหรือไม่สงบนั้นจิตยังสามารถตั้งมั่นรู้ความฟุ้งซ่านได้อย่างเป็นกลางเมื่อเราเป็นเน้นสมาธิในความหมายของความสงบเราก็มุ่งทำความสงบกันยกใหญ่โดยหวังว่าถ้าสงบแล้วจะเกิดปัญญานักปฏิบัติจึงพากันติดความสงบติดปีติและติดนิมิตแทบจะทั่วหน้ากัน อีกคำหนึ่งคือคำว่าวิปัสนาคำนี้มีปัญหามานานแล้วคือพวกเราบางท่านชอบแปลคำว่าวิปัสนาว่าคิดที่จริงความคิดให้เราได้แค่จินตามยปัญญาส่วนวิปัสนาให้ภาวนามยปัญญาหรือปัญญาอันเกิดจากการเจริญสติตามรู้รูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงซึ่งเป็นเรื่องของการรู้ ไม่ใช่คิดขอปากให้พวกเราพิจารณาความหมายของคำทั้งสามนี้ว่าพวกเราเข้าใจกันอย่างไรบ้าง